ทำตั้งหลายที่เป็นกุศลที่มีมมกุศลเป็นมูลทำเ่านั้นล้วนเป็นกุศลทำเราไหนมีอกุศลเป็นมูลทำเรานั้นเหมารวมเลยว่ามันเป็นกุศลเวลานั่งแล้วไม่สบายกายนีย่นี่แหละกุศลนี่แหละอกุศลนั่งแล้วอึดอัดขัดเคืองเน่มึนตึงกายตึงกายไม่ผ่อนคลายแ้่เราพยายามจเจริญสติสติเป็นฟ้าฝั่งของกุศล แต่มันมีฐานของกายที่มันไม่สบายมันอึดัดนั่งแล้วบิดเกรงเลยมันมีอากุศลเป็นมูลไม่ได้กุศลจะเกิดยากความหมายมบทสวดแต่ละเล็กแต่ละน้อยเรื่องเล็กน้อยนี่แหละเวลาง่วงอย่างเงี้ยง่วงเป็นกุศลหรืออากุศล <ś red> ตอบเสียงดังฟังชัดเลยเนาะง่วงมันอาจจะเป็นกุศลก็ได้เป็นได้ไหมมันอาจจะได้ในบางทีนะ เวลาเราชอบใจมันเนี่ยยกให้มันเป็นกุศลโลดม่วงมันเป็นอกุศลมันส่งเคราะห์เข้าไม่ได้กับกุศลคือตัวสตินี่แหละเมื่อใดที่ง่วงมันท่วมทับนี่สติมันเกิดไม่ได้เนี่ยคือความหมายของบสวดให้นั่งเพราะฉะนั้นนั่งให้สบายเคลื่อนไหวให้สบายยกมือแล้วใจเกร็งนี่บิดเกรงใจเราตั้งมั่นเกินไปใจเราพยายามบังคับเกินไปใจมันเป็นอกุศลกึ่งไปหนึ่งกึ่งหนึ่งไป กุศลมันเกิดไม่ได้สติเกิดยากอย่างเงี้ยบทสวดแต่ละบทเนาะเขาบอกถึงสภาวะธรรมที่เรากาลังทำแต่ละขณะนี่เลยนี่ใครยกคุณงามความดีความชอบให้คนเปิดธรรมะหลวงพ่อนั น, นี่พูดถึงสิ่งที่พวกเราต้องใช้เยอะที่สุดเลยช่วงนี้อะไรนะท่านว่าอะไรถ้าเราอ่าเป็นไปตามความชอบใจและไม่ชอบใจ สิ่งที่เราจะได้ก็คือความชอบใจและไม่ชอบใจที่พวกคุณขึ้นแต่ถ้าเราใช้คันติอดทนฝึกฝนทนดูต่อความชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นในระหว่างวันเราใช้คัมตีใช้ตะบะใช้อาตาปีคือการเผารน้นใจด้วยความชอบใจและไม่ชอบใจเราฝึกรู้ฝึกฝืนฝึกทนสิ่งที่เราจะได้คือสติสมาธิอุเบคาใจที่กล้าแกร่งขึ้น เหล็กทั้งหลายกว่าที่มันจะหลอดออกมาเป็นเหล็กให้เราได้ใช้มันต้องผ่านไฟผ่านความร้อนผ่านการทุบผ่านการตรีสติก็เหมือนกันเราทำหยดๆแย่ ๆ, ย ๆ, ย ๆ, ยๆง่วงกะ น, นอนสมยอมใบกำมันคิดแล้วคิดไม่ดีกระโดดหนีเวลาคิดดีจมใบกำมันเราจะไปได้สติไปได้สมาธิไปได้อวิคขาที่ไหนมาใช้ใช้ไม่ได้หรอกหละคือความหมายอันนี้ทบทวนเนาะทบทวน ช่วงเย็นทบทวนในเรื่องที่เราได้เรียนรู้ระหว่างวันวันแรกเพื่อบางคนไม่ได้ฟังวันแรกอาตมาพูดเรื่องเรื่องอะไรกายอาการของกายประเด็นแรกคนใหม่ที่ยังไม่ได้ฟังนะกายเป็นสิ่งหนึ่งอาการของกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งสายเคลื่อนไหวการจเจริญสติ ใช้อาการของกายเป็นเครื่องมือในการฝึกการรับรู้มีสามอย่าง 1. กลกาย 2. อาการทั้งหลังที่เกิดกับกายการเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในอาการที่อาศัยกายเกิดเพื่อฝึกตัวที่3คือการรับรู้การรับรู้นั่นคือสติคือความรู้สึกตัวประเด็นของมันหลักๆ มีสองวันที่เราเรียนรู้ทีนี้รู้รู้ยังไงตัวรู้ฝึกยังไงฝึกโดยการรู้ ต, งตรงๆสัมผัสรู้รู้ต่ออาการที่กำลังเกิดผ่านกายด้วยการสัมผัสรู้เอาใจสัมผัสรับรู้ลงไปตรงๆอย่างตอนนี้ที่นั่งอยู่ขามีความรู้สึกอะไรความเจ็บความปวดความเมื่อย ป า, านาติคือการรับรู้แบบตรงๆรับรู้แบบสัมผัสได้เลยว่ามันกำลังปวดกำลังเมื่อยนี่เป็นการสัมผัสรู้นี่เป็นการรู้ซื่อๆแบบหลงพเทียนแต่ถ้ามันผิดไปจากนี้มันจะเป็นคิดรู้เหมือนตัวเนี้ยถ้าเราพยายามเคลื่อนไหวแล้วพยายามนึกภาพนึกภาพของการเคลื่อนการไหวหรือเอาใจมาแนบไว้กับมือเนี่ยอันนี้เป็นคิดรู้ไม่ใช่สัมผัสรู้ไม่ใช่รู้สึกตัว แยกประเด็นนี้ให้ออกแยกประเด็นนี้ให้ชัดและความเพียรจะทำง่ายนี่ประเด็นที่เราคุยกันเข้าใจชัดนะมีใครมีคำถามเรื่องนี้ไหมตรงนี้มีใครยังไม่เข้าใจอีกเอาให้เข้าใจนะตรงนี้ไม่มีแล้วเนาะเมื่อวานมีคนบอกว่าเวลาพูดเสร็จพระอาจารย์ให้ถามหน่อยก็ให้ถามแล้วไม่มีใครถามนะ่ะ ให้ถามแล้ว ม, มีใครถามหรอกเราอยู่ในที่ประชมุมอย่างนี้ไม่มีใครถามหรอกธรรมชาติของคนไทยยกมือถามยากมากอัตมาเคยเป็นหนึ่งในนั้นหรอกสิ่งที่เราเจออุปสรรคปัญหาอุปสรรคและปัญหาที่เจ้าทาให้กันที่ใจเหรอเราเอาใจมาสัมผัสรับรู้อยังไงไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์คืออุปสรรคปัญหาหลากัหลกๆความง่วงความคิดความอึดอัดถัดเครื่อง ความฟุ้งซ่านความเบือ่อความงุบงิดที่เราเจอทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นแหะคือสิ่งที่เรียกว่านิวร น, นิวรณ์จะพยายามทาให้ใจเรามันไม่ใส่มไม่กระจ่างไม่สามารถที่จะออกมารับรู้ต่อสิ่งที่กําลังเกิดทั้งหลายอาการทั้งหลายที่กาลังเกิดผ่านกายเราเนี่ยเป็นหลักเนี่ยใจมันจะออกมารับรู้ไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่านิวรณ์วิธีวิธีการเห็นความคิดปล่อยทิ้งไปเลย หลักของการภาวนาทั้งหมดเมื่อถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นเพียงการเรียนรู้นะเป็นเพียงการเรียนรู้ความวุ่นเกิดขึ้นยังไงความคิดเกิดขึ้นยังไงแต่นั่นคืออยู่ที่สุดแล้วนะค่อยทําแบบนั้นระดับที่เราทําเริ่มต้นเนี่ยทิ้งมันก่อนสลับมันทิ้งไปก็ เ, เปรียบเหมือนแมวกับหนูถ้าแมวเราตัวเล็กมากเรายังเรียนรู้สภาวะวาอาการทั้งหลายตรงๆไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาแมวเราออกมาเลี้ยงก่อน เอาแมวเรออกมาขุนก่อนถ้าไม่งั้นเอามันสู้ตรงๆให้มันดูหนูตรงๆงเดี๋ยวหนูมันกัดคอดขาดเอาแมวหนีไว้ก่อนเอาใจเราหลบมาจากอารมก่อนพอเห็นมันคิดปล่อยมันผ่านไปขยับกายเปลี่ยนกายเปลี่ยนจังหวะของกายขยับให้ใจตื่นออกขยับให้ใจตื่นออกมาสัมผัสรับรู้นี่คือความเพียรระดับที่หนึ่งในสติสามระดับระดับแรกประชานาติ ความเพียรคือการเอาใจมาสัมผัสรับรู้บ่อยๆใส่ใจให้ใจสัมผัสรับรู้อาการที่กําลังเกิดกับกายให้ได้บ่อยๆ อ, อะไรที่เป็นเครื่องขัดขวางเขาปล่อยผ่านไปเลยความคิดเกิดขึ้นความวุ่นเกิดขึ้นความเมื่อยกรดเครื่องเกิดขึ้นบ่อยขยับกายช่วยสาเหตุที่เรามีการขยับกายเนี่ยขยับท่าเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อดึงใจออกจากอารมณ์เหล่านั้นเพื่อดึงใจออกมาดึงใจเราออกมามาสัมผัสสิ่งอื่น หลักๆใช้อาการที่เกิดกับกายเนี่ยเป็นเครื่องรับรู้พอมันเห็นไปคิดแล้วอาปล่อยบานไปก่อนอย่าเพิ่งรู้สึกตัวนะตรงนี้อย่าเพิ่งรู้สึกตัวมันมีคำเก่าที่เราคุยกันเมื่อเย็นเนี่ยขยายความให้ชัดอีกรอบจะมีคำเก่าๆที่ความหมายคำพูดถูกคำพูดเขาถูกแต่เมื่อสู่การกระทำของเรามันผิดเพลไปแล้วให้กลับมารู้สึกตัวประเด็นเนี้ ให้กลับมารู้สึกตัวเผลอไปแล้วการเห็นว่าเผลอไปกับความคิดแล้วนั่นคือสติสติทําหน้าที่แล้วถ้าสติไม่ทําหน้าที่เราจะไม่รู้ว่าเราคิดเราเผลอไปกับการคิดเราจะไม่รู้การที่เราเห็นว่าเราเผลอไปกับการคิดนั่นสติทําหน้าที่แล้วต่อจากนั้นให้กลับมารู้สึกตัวเราจะพยายามดึงใจมาไว้กับกายดีๆแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวพยายามบังคับ ใจมาไว้กับกายแบบนี้แต่สิ่งที่แต่ตัวสติที่เราพยายามไปทามันน่ะมันเป็นตัวสติตัวปลอมมันเป็นนา ม, มารู้มันเป็นความคิดไอ้ตัวนี้พยายามให้ใจมาอยู่กับกายแล้วมีภาพของการรู้สึกตัวรู้สึกกายเราพยายามดึงใจกลับมาถ้าเราพยายามดึงใจกลับมาเนี่ยสิ่งที่ตามกลับมาไม่ใช่การสัมผัสรู้ใช่ไหม ทบทวนดูทบทวนดูเราทําอย่างนั้นไหมพอเราเผลอไปพยายามกลับมารู้สึกตัวเนี่ยใจจะตั้งท่าขึ้นใจเราจะตั้งท่าขึ้นใจเราจะพยายามสร้างอะไรขึ้นอันนี้คือคิดรู้อันนี้คือนามารปใจเกิดการปรุงแต่งในปฏิจจสมุปบาทวิชาปัจญาสังขารและปัจญานามารุกับปัญญาสังขารคืออาการที่ใจปรุงแต่งอะไรเกินจากการสัมผัสรู้ง่ายๆ เกินจากความปวดเกินจากความเมื่อยเกินจากความเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เกิดจากกายเราเนี่ยอาการเหล่านี้เป็นอาการของธรรมชาติเป็นผัสสะเป็นอายตนะเป็นผัสสะเป็นเวทนาเท่านั้นนี่เป็นธรรมชาติล้วนๆแต่ใจเราจะพยายามปรุ ง, ปงอะไรให้เกินจากนี้ขึ้นมามันเป็นสังขารสังขารเหตุใกล้ของการเกิดสังขารคือเจตนานี่หลักปริยัติคมภี์วิสุทติมัค อธิบายเรื่องนี้ไว้ละเอียดมากเลยเจตนาเป็นเหตุใกล้ต่อการเกิดสังขารยิ่งคนเก่ายิ่งต้องฟังเลยนะเรื่องนี้เมื่อใดที่เราผือและพยายามรู้สึกตัวเนี่ยมันรู้สึกตัวจริงไหมหรือมันเป็นเพียงสังขารสังขารส่งต่อสูน่นามารูปนามารูปที่หลวงพ่อมหาทัชอบพูดชอบพูดครูบาอาจารย์หลายคนใช้คา ว, ว่านามารูปนามารูปภาษาเราปิพเทนเรียกว่ามันคิดรู้ มันไม่ใช่สัมผัสรู้มันไม่ใช่รู้ซื่อมันไม่ใช่ตัวสติมันเป็นเพียงตัวเจตนาเป็นตัวสำคัญเนี่ยเจตนาสร้างภาพของการรู้สึกขึ้นในใจแล้วเราก็พยายามไปพัฒนาเจ้าตัวเนี่ยมันผิดตัวมันพลาดหน่อยเดียววิธีที่ถูกไม่ต้องดึงใจกลับมาปล่อยมันโลดมันเผลอไปเแล้วอ้าวคิดไปแล้วปล่อยทิ้งไปเลยขยับใหม่เริ่มใหม่ อย่าเป็นขณะที่สองจากการเผอเผอแล้วก็แล้วปล่อยทิ้งรู้แล้วก็แล้วเช่นกันนะรู้อะไรก็ปล่อยฉะ น, นั้นผ่านความคิดเกิดขึ้นอ้า่ปล่อยผ่านขยับกายนิดนึงเพื่อให้ใจออกรับรู้ตรงนี้ได้วิธีแก้มีแค่นี้แหละปล่อยทุกเรื่องผ่านให้หมดรู้อะไรก็ผ่านสติก็ปล่อยผ่านเอาความถี่ความบ่อยเอาแค่ความถี่ความบ่อยไม่ต้องเอาตัวสติตัวสติเอาไว้ไม่ได้ ทำทั้งหลายไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในธรรมชาติทั้งหลายบุคละบัญญัติค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัต์โดยที่แท้จริงแล้วตัวสติก็เป็นเพียงอาการของธรรมชาติมันจึงเอาสติไว้ไม่ได้เพราะมันค้นหาบุคคลตัวตนเราเขาในนั้นไม่ได้ในบทสวดของอริธรรมเมื่อกี้เนะี่ย ไม่มีใครไม่มีสิ่งไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่จะให้จับต้องจับมาตั้งจับมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังมาจับไม่ได้ตัวสติก็เช่นกันสติในสเกตง่ายๆนะมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับอาการปวดเมื่อยนี่แหละความปวดความเมื่อยมันเหมือนมีจริงนะเวลาปวดเมื่อยขึ้นมาแต่พอเราขยับปรับเปลี่ยนหน่อยเดียวความปวดความเมื่อยเขสลายตัวจ่อยหายไปจ่อยไม่มีตัวมีตัอย่างแท้จริง นั่นแหละสติก็เช่นเดียวกันมีลักษณะอาการที่ทำหน้าที่เสร็จเพียงเพื่ออาศัยแล้วก็หายสลายตามธรรมชาตใิในกระบวนการภาวนาเนี่ยถ้าเราเข้าใจกระบวนการพุ่มดีๆนะเราจะภาวนาได้ง่ายจุดหนึ่งที่คนเก่ า, เ, กาเราพาดคือพยายามกลับมารู้สึกตัวแต่ไปสร้างผิดตัวแต่สิ่งที่ถูกการวางใจที่ถูกมันเผอไปแล้วเห็นความคิด เผยไปแล้วปล่อยผ่านขยับใหม่นี่คือการกลับมารู้สึกตัวกลับมาทําเรื่องนี้ใหม่กลับมาตั้งต้นใหม่แต่ไม่ใช่ไปดึงอะไรกลับมาถ้าไปดึงกลับมาดึงกลับมาเราตั้งใจรูปเนี่ยตัวนี้มักกลายเป็นตัวปลอมกลายเป็นตัวสังขารบางทีพวกเราที่ทํานะถ้าแยกเรื่องกายกับอาการกายไม่ออกเราจะไปสร้างตัวนี้ขึ้นตั้งแต่ต้นเลย ตัวคิดรู้เนี่ยแล้วเราคิดว่าตัวนี้เป็นรู้สึกนี่แหละคือสาเหตุที่จะมาพาให้สัมผัสว่ากิริยาอาการของตัวสติเนี่ยคืออาการรับรู้ง่ายๆตรงๆแบบนี้นี่คืออาการของสติถ้าเกินจากนี้ไม่ใช่เกินจากนี้ไม่ใช่สติเกินจากนี้กลายเป็นคิดรู้กลายเป็นสังขารกลายเป็นใจที่ปรงแต่งธรรมชาติทั้งหลายเกินจากปกติตัวนี้ถ้าสัมผัสให้ชัด คำพูดเขาถูกแต่พอผ่านการกระทาของเราเราทาผิดเราไปดึงใจกลับมาไว้ใจอะไรมันมีตัวมีตน ม, ม, มีบุคคลให้ดึงได้ด้วยเหรอ <c oughs> ทำทั้งหลายก็เป็นอัตตาสิทำทั้งหลายเป็นอนัตตามันจะไปดึงกลับมาจะไปผากออกไปได้ที่ไหนล่ะไอ้นั่นเป็นเพียงความเข้าใจผิดเป็นเพียงของตัณหาอุปทานมันทำงาน ตันหาประธานทางานมันก็ส่งผลมาสู่การปรุงแต่งมาสู่สังขารมาสู่นามารปไปสู่วิญญาณไปสู่ปัสสาวะยตนาไปสู่ตันหา น, นู่นแหละเป็นกระบวนการของความเข้าใจผิดดังนั้นเลยเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นแกนหลักจุดที่เป็นพอยจริงๆก็คือการสัมผัสรู้ตรงๆรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยยกเรื่องถามมาพูดให้ฟังอีกรอบนึ่งในกระบวนการของศาสนาเนี่ยเขายกไว้เป็นสารมระดับ ทานศีลภาวนาในยุคสมัยนี้นี่หลายเรื่องนะบางทีไปอ่านคอมเมนต์ตามอินเทอร์เน็ตผู้คนเข้าใจเรื่องทานไม่ถูกผู้คนนอกจากเข้าใจไม่ถูกแล้วบางทีดูหมิน่นเรื่องการให้ทานเอาไปให้ทำไมพระคนจนเยอะแยะอะไรแบบนี้คอมเมนต์ comment, ความคิดเห็นในเชิงลบเนี่ย ที่เกิดต่อศาสนาที่เกิดจากกระบวนการให้ทานเนี่ยค่อนข้างเยอะสาเหตุมาเข้าใจกระบวนการเรื่องทานไม่ถูกประเด็นที่หนึ่งคือเข้าใจกระบวนการทานไม่ถูกอย่างที่สองคนไทยเราเข้าใจเรื่องทานไม่ถูกอีกเช่นกันถึงใจเป็นกุศลแต่ก็เข้าใจไม่ถูกเราเข้าใจว่าทานคือการให้เพื่อจะได้บุญใช่ัหมให้ต้องได้บุญใส่บาตพระพระจะได้ให้พรพระไม่ให้พรแสดงว่าเราไม่ได้บุญ พระขี้โกใส่บาตรพระพระต้องให้พรพระไม่ให้พรพระขี้โกพระ ก, กินฟีมีที่ไหนเราเราเนี่เข้าใจเรื่องทานไม่ถูกถ้าให้แล้วคนคนรับต้องเกรงใจเราถูกไหมคนไทยเป็นเยอะมากเลยะที่นี่ยังไม่เคยสั่งอาตมาพูดเรื่องไปอินเดียไม่กล้าพูดไว้เดี๋ยวคนจะหาว่ามีเรื่องเดียวเรามาพูดอยู่ได้อาตมาไปอินเดียมาเรื่องเนี้ยต่เรืองนี้มันน่าเล่าจริงๆนะ มันน่าเล่ามากมั เ, เจออะไรแบบอนั่นนี่แหละคือฐานเรามาไปอินเดียมาไปเห็นเรื่องเนี้อย่างชัดเจนมากความคุ้นชินตามจารีตของเราเราให้เพื่อจะได้บุญเราให้เพื่อที่จะได้บางสิ่งตอบแทนนี่คือความเข้าใจพื้นฐานของพวกเราในสังคมที่อินเดียที่จะมาไปจะมาไปอยู่พุทธกยาเดือนมันจะมีพวกทิฏฐเบสมีพวกนักบวชจากหลายศาสนาเนี่ยเขาไป แสวงบุญกับต้นโพธิ์แต่พที่เบตเขามาเยอะเนี่ยองค์กรสงฆ์ของอมหายานของที่เบส เ, เขาจะทำโรงครัวไว้เป็นเลี้ยงเขาจะทำโรงครัวพอถึงเวลาเขาก็จะเอาแผ่นแป้งจะปตีกับเครื่องกินอย่างสองอย่างเอาไปด้วยพอถึงเวลาอย่างหกโมงเนี่ยเขาก็จะติละครังเม่งๆเดินรอบเจดีพตทธกถามันก็จะมีพระไทยพระเขมรพระญี่ปุ่นทั้งมหายานทั้ง อ่าเถรวาทคืภาพแบบเรากับภาพแบบจีนภาพแบบทิเบตอ่ะก็จะไปต่อถแถวเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าโอ้โอ น, นี้ภาษาเยอะโอ้ น, นี้พระไทยโอ้ น, นี้พระฝรยินเขาไม่เลือกนะเขาก็ต่อถแถวกันโดยลําดับในระหว่างนั้นมันก็จะมีพวกที่ปลอมบวชพรากขอทานเพราะอะไรพวกนี้มันก็จะไปเก็บผ้าเอาผ้าจีวรคล้ายเราเนี่ยมาพัพนๆตัวแต่ดูก็รู้ว่าพวกนี้ไม่ใช่พ้าจริงเขาก็จะไปนั่งข้างๆเจดีย์พุทธคยาพวกนี้ส่วนบนเก่งนะ ความสามารถของอขอทานอินเดียสามารถปลอมตัวจนส่วนส่วนอีติพิโซจบพอเช้าเห็นเป็นนั่งเปิดลาโพงส่วนอิติปิโซกันกับภาชนะที่ดูเหมือนจะเป็นบาตรบุบ บ, บี้เอาตั้งไว้ประมาณนั้นพวกนี้เขาจะไปต่อแถวซึ่งทุกคนก็รู้ว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่พระถ้าเป็นคนไทยเราจะสีเลียนเรื่องนี้มากแต่มหายานกลับไม่เลยไม่สีเลียนเลย ถ้าคุณต่อแถวคนเดินเข้ามาถ้าคุณมีภาชนะรับเขาก็ให้ให้เขาก็ดูก่อนแล้วเขาก็ให้ดูก่อนก็ให้ใครที่ไม่มีบาทไม่มีอะไรไปเขาก็จะใส่ภาชนะให้ให้ให้ลักษณะของทานคือลักษณะนั้นแหละให้โดยไม่เลือกเพราะหน้าที่เขาคือให้เขาฝึกการให้ดีซะอีกคนไทยไปเจอขอทานจะคิดว่าทําไมพวกนี้ต้องมาขอทานจะรู้สึกลาคาญ บางทีก็รู้สึกเราเป็นบุญเหลือเกินได้ให้ขอทานแต่เราจะรู้สึกว่าเราสูงสง่งแต่มุมมองความคิดของมห า, ายานจะคิดกลับดีแล้วที่มีคนรับดีแล้วที่มีคนขอเราจะได้ฝึกการให้วิธีคิดก็กลับตาลปัดกับกับของเราพอสมควรเขาเข้าใจเรื่องทานถูกทานที่เป็นเบื้องต้นของศาสนาเราเนี่ยนั่นเป็นการฝึกฝึกขั้นที่หนึ่ง ฝึกสะละออกฝึกปล่อยความรู้สึกที่จะยึดเข้าเนี่ยให้มันฝึกชินที่จะปล่อยสะละออกสาเหตุที่ความโกรธเกิดขึ้นหลังเกิดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วใจเราปล่อยผ่านไม่ได้จมอยู่กับความชอบไม่ชอบจมอยู่กับความโกรธจมอยู่กับความคิดดีไม่ดีเนี่ยเพราะใจเราชินกับการยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้เกาะกุ่มเอาไว้ไม่คุ้นชินกับการปล่อยทุกเรื่องให้ผ่านไปผ่านไปไม่เหมือนกับอาการปวดเห็นไหมอาการปวจใจเรามันไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้พยายามยึดเอาไว้เลยนะมันหนีซะด้วยซ้ำใจเราจะชินกับสองอย่างยึดเข้าผลักออกยึดเข้าผลักออกแต่จะไม่ชินกับการเห็นอะไรเกิดขึ้นเนาะอ่าลอยผ่านปล่อยผ่านอย่างอิสระ การฝึกให้ทานเพื่อฝึกให้ใจคุ้นชินกับการสละออกเบื้องต้นเขาใช้วัตถุ ม, มันจะมีอยู่3ามอย่างทาน3มระดับระดับต้นเขาใช้วัตถุสิ่งของข้าวอาหารสังคทานอะไรที่เราทําทั้งหลายเนี่ยเอาวัตถุที่เรามีอยู่เพื่อฝึกเรามีมือถือมือถือก็เป็นของเรา เรามีเว้นตาเว้นตาก็เป็นของเรามีเสือ้อเสื้อก็เป็นของเรารองเท้ารองเท้าก็เป็นของเราแล้วนั่งตรงนี้เราอาจจะเถียงนะแม่เด็กเป็นของเรารองเท้าก็แค่อาศัยเราให้คนอื่นขโมยสิเราให้เดินไปรองเท้ารองเท้ากูหายไปไหนกูมาจากไหนไม่รู้ <c oughs> เห็นไหมใจเรายึดโดยธรรมาชาติเราจะยึดหรือไม่ยึดไม่รู้เลยแม้กระทั่งที่นั่งเนี่ยอะที่นั่งเนี่ยเรานั่งประจําคนอื่นมานั่งแทนอีมันนั่งที่เรา ใครไปเขียนชื่อไว้มีใครไปจองกับเวทที่แท้จริงเห็นไหมใจเรานะ่ยคุ้นชินกับการยึดทุกเรื่องว่าเป็นของเราทั้งที่รู้และไม่รู้ถ้าในชีวิตประจําวันและทั้งหมดเนี่ยใจเราชินกับการยึดว่าเป็นของเราทั้งหมดความโกรธเกิดขึ้นครั้งหนึ่งใจจะไม่ชินกับการปล่อยออกพวกนี้จะกลายเป็นพวกย้ำคิดยำำ้ำทำกลายเป็นพว ก, กโกรธโกรธแล้วโกรธอีกเรื่องมันจบไปต้องนานจะไม่ยอมให้เรื่องมันจบใจจะโุ่นคนแบบนี้ โทษาเป็นอกุศลบุญเป็นกุศลคนพวกนี้จะไม่จะเรียกว่าไม่มีบุญเพราะใจไม่เคยสบายใจมันจะหมกมุ่นอยู่แต่ในอารมณ์ในอารมณ์พวกนี้ก็จะกลายเป็นคนที่หาความสุขยากในชีวิตมีไม่เคยพอใจจะตึงเครียดโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราฝึกให้ทานอย่างถูกต้องมันจะเป็นการฝึกลักษณะนิสัยของจิตเรา ที่จะให้ชินกับการปล่อยออกสละออกกุศลน่ะเริ่มต้นจากลักษณะเดียวกันทั้งหมดกุศลมีลักษณะทำเหล่าใดมีกุศลเป็นมูลทำเหล่านั้นเป็นกุศลลักษณะของกุศลคือลักษณะของการปล่อยออกลักษณะของกุศลนะเป็นลักษณะของการปล่อยออกว่าอิสระฟูขึ้นสบายขึ้นนี่เป็นลักษณะของกุศลทานเป็นลักษณะของ การปล่อยออกการที่ใจเราปล่อยสิ่งของความรู้สึกที่เขาสละออกสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกเบาสบายว่าอิสระนี่คือหน้าตาของบุญแต่คนไทยเราให้ให้ทานให้ไปแล้วหนึ่งขณะฝึกแล้วที่จะให้หนึ่งขณะฝึกที่จะได้กับคืนอีกหนึ่งขณะให้แล้วให้อาใส่บาทพระพระต้องให้พรจัดตัวเองจะได้บุญเห็นไหม เสมอตัวเราไม่ค่อยได้บุญได้บุญแป๊บเดียวได้อกุศลกับคืนอีกล้ให้สิ่งของนี้คุณต้องเกรงใจฉันเราก็รู้สึกตัวเองเหนือกว่าอกุศลเกิดอีกแล้วมันให้ฐานไม่ถูกประเด็นทานจริงๆเน่ยเป็นการฝึกฝึกเพื่อให้ใจสละออกระดับหยาบเขาใช้วัตถุระดับกลางขึ้นมาอะไรนะใช้สิทธิ เรีเยกง่ายๆอย่างสิทธิอย่างเรียกยังไงสิทธิเวลาหน้าที่สิ่งที่ตัวเองควรจะได้แบ่งปันเป็นบริจาคฐานะบริจาคนิสขกษสามระดับการบริจาคการเสียสละแทนที่เราควรจะได้สิ่งนี้เราเสียสละแบ่งปัน เสียสละสิทธิและหน้าที่ของตัวเองเสียสละสิทธิที่ควรจะได้ไม่ลงละเอียดนะเราจมางงกับเรื่องนี้เหมือนกันพูดไปพูดม า, ดมาเริ่ม ง, งงว่าจะอธิบายยังไงตัวที่สามเสียสละอารมณ์นิสสัทธตัวที่หนึ่งมันใช้วัตถุตัวที่สองมันไม่ใช้วิถมันไม่ใช้วัตถุมันใช้หน้ามันใช้อารมณ์มันใช้หน้าที่มันใช้สิท ธ, ทธิที่เราควรจะได้ เราปล่อยเราให้คนอื่นเราแบ่งปันนี้คนอื่นเขาจะมีอะไรนะทานกิจยาวัตถุสิยินดียินดีในสิ่งที่คนอื่นได้เบิกบานใจอะไรทั้งหลายเหล่านี้นี่คือลักษณะของการยินดีเพื่อสละความตันทีที่เหนียวลักษณะนั้นในสักคะคือการปล่อยอารมณ์ปล่อยอารมณ์ ความโกรธเกิดขึ้นอ่าสละอารมณ์โกรธได้ความคิดเกิดขึ้นสละอารมณ์คิดได้นี่คือระดับที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทั้งหมดมีกระบวนการของการปล่อยออกทานเบื้องต้นรวมสามอย่างแล้วรวมอาการเดียวคือลักษณะของใจที่ปล่อยออกเป็นลักษณะเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดเรื่องนี้สําคัญมากถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีๆเนี่ย มันไปได้ยาวไปได้ถึงนิพพานเราจะเข้าใจได้ถึงนิพพานเลยนะเพราะลักษณะของกุศลมีต้นเขาเดียวกันคือลักษณะปล่อยออกทั้งหมดอ้กุศลมีลักษณะเดียวกันยึดเข้ามีต้นเขาเดียวกันเช่นกันถ้ามันแยกออกมันเป็นสองลักษณะเท่านั้นเองถ้าเราแยกต้นเขาของมันทานถือลักษณะการปล่อยออกเมื่อเราปล่อยออกเป็นศินก็ปรากฏ สินโดยสมมติศินสมมติสองอย่างศิลหแยกออกมาเป็น2อย่างเท่านั้นเองไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นสินแปลว่าปกติคืออาการที่กายใจเราปกติเมื่อมันเมื่อมันรู้สึกที่จะเคลื่อนไปจัดการไปยุ่งไปยากไปเบียดเบียนคนอื่นเห็นเท่าทันงดเว้นได้จากการคิดจากการพูดจากการทําเมื่อมันจะเบียดเบียนตัวเองมันแยกมาเป็นหข้อใช่ไหม สุลาเบียดเบียนตัวเองไหมนี่คือการเบียดเบียนตัวเองอีกสข้อเป็นการเบียดเบียนคนอื่นแต่รวมเป็นสองอารมณ์เท่านั้นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนตัวอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นเท่านั้นศีลคือความปกติของใจเวลาว่าไปเบียดเบียนตัวเองบังคับกายบังคับใจเกินไปเสียศีลนะนี่เสียศีลประมาทศีลขันของหลวพเทียนน่ะคือเรื่องนี้ถ้าเจออาการปกติกายใจวิตปกติ ถ้าใจเสียศีลเมื่อไหร่อาการปกติอาการธรรมชาติหายนี่คือศีลขันธ์ของโรบะเทียนศีลคืออาการที่กายใจปกติมันก็สู่ภาวนาใจจะเจริญขึ้นมีสติรับรู้เพราะว่าตั้งแต่ทานศีลภาวนาเนี่ยมันใช้สติเป็นแกนนำกุศลทั้งหมดสติสังเคราะห์เข้าได้กับกุศลในกุศลมีสติเป็นหัวหน้า ในกุศลมีสติเป็นหัวหน้าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่มันจําสภาวะของสภาวะความเบิกบานสภาวะของความปกติเหล่านี้ได้มีสติเป็นหัวหน้าลบคุณงามความดีทั้งด้านกุศลทั้งหลายจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสร้างเนี่ยเาจมาโยงเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้เข้าใจว่าการเจริญสติเป็นฝ่ายของกุศลเนี่ยต้องวางใจแบบไหน วางใจแบบปล่อยออกวางใจแบบสบายวางใจแบบปล่อยผ่านขยับกายช่วยนี่คือที่มานี่คือที่มาของกระบวนการแบบนี้เพราะถ้าเราบังคับเรากดข่มจิตใจมันอึดอัดขัดเคืองสติตัวนั้นมันจะไม่จะไม่ใช่สติแบบวิปัสนาจะไม่ใช่สติแบบที่ต้องการในในกระบวนการภาวนาถ้ากลายเป็นสติแบบการกดข่มก็นั่นจะเป็นสมถะสมถะแบบพลามเลยด้วยซ้ําจะไม่ใช่ของพุทธเจ้าเรา การเริ่มต้นของการภาวนานะแค่นีน้วางใจให้ถูกส่วนที่หนึ่งนะเวลาความคิดเกิดขึ้นขยับกายก่อนสติสามระดับระดับที่หนึ่งประจานาติสัมผัสรับรูบ้ตรงๆ ต, ต่ออาการที่กำลังเกิดกับกายเป็นหลักแล้วมันจะเห็นว่าเวลาจิตคิดจิตรู้สึกอึดอัดรู้สึกกัดเครื่องรู้สึกโทสะเกิดขึ้น อาการของจิตเกิดขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นไปด้วยนี่คือรูปนี่คือนา ม, มันจะเริ่มเห็นแบบนี้แยกแยะอาการกายชัดแยกแยะอาการจิตชัดจะเริ่มเข้าใจสติระดับที่หนึ่งคือตัวประชานติสัมผัสรับรู้สิ่งที่ต้องใช้ความเพียรที่ต้องใช้ในระดับในระดับนี้ความใส่ใจใส่ใจให้จิตจำใส่ใจให้จิตรับรู้สัมผัส ต, ต่ออาการที่กำลังเกิดกำลังดับกำลังหายกำลังเกิด เดี๋ยวนี่ก็เกิดเดี๋ยวไอ้นั่นก็กาหายเดี๋ยวอนี่ก็ดับให้มันรับรู้สิ่งเหล่านี้บ่อยๆทีๆบ่อยๆทีๆความเพียรระดับที่1เมื่อมันทําเรื่องนี้บ่อยเข้าทําเรื่องนี้มากเข้าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเริ่มเกิดเป็นสติระดับที่สองสติระดับที่2ชื่อว่าสัมปชาญญการีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นลักษณะของสัมปัญญะที่เจริญเติบโตขึ้นด้วย อาการของสติระดับที่สองมันจะเริ่มรับรู้สิ่งอื่นๆด้วยนอกจากมือที่เคลื่อนไหวนอกจากจุดเฉพาะที่เราให้มันจํามันจะเริ่มรับรู้กายรวมๆเริ่มรับรู้ตารับรู้หูและหลายอย่างพร้อมๆกันเวลาเหอมันจะกลับมาเองได้มากขึ้นเวลาที่ไม่ได้ตั้งใจเดินๆไปเท้ากระทบพื้นลมที่พัดผ้าที่กําลังขยับจิตจะเริ่มรับรู้สิ่งอื่นๆ ที่กำลังเกิดกําลังเกิดโดยตัวเขาเองได้มากขึ้นความเพียรระดับนี้สิ่งที่ต้องใช้คือการสังเกตไม่ต้องบังคับ แ, แรกเราใส่ใจให้มันรับรู้ทีนี้ปล่อยมันกว้างปล่อยให้มันรับรู้กายรวมๆแค่สังเกตว่ามันยังรับรู้อาการทั้งหลายที่กําลังเกิดอยู่เนี่ยรับรู้ได้ไหมถ้ามันหายไปก็แค่อ้าวคอยสังเกตตอนมันหายคอยสังเกตอ้าวมันหายไปแล้วขยับใหม่มาคองข้างหา ถ้าเราบังคับให้มันมารู้เฉพาะจุดมันจะดึงมันกลับมาเป็นตัวที่หนึ่งเกินไปให้มันรับรู้รวมๆรับรู้สบายๆมันก็จะเห็นการทํางานแต่ถ้าเราพยายามบังคับให้อยู่กับเท้าอยู่กับมือพยายามบังคับเนี่ยแทนที่มันจะเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มีสัมปชัญญะคือการเรียนรู้ถ้าเราประคองทั้งหางกายใจกําลังเป็นอะไรอยู่มันก็เห็นอยู่ปรากฏอยู่ใจก็จะเรียนรู้ไปด้วยความว่วงเกิดขึ้นเป็นยังไง สิ่งที่ต้องลดลงนะเทคนิคของประชานติติอีกตัวหนึ่งเทคนิคของประชานติติคือเวลาที่มันรับรู้ไม่ได้มันรับรู้ต่อภาษาอยตนะที่กําลังเกิดไม่ได้ความง่วงความคิดหดลักมันเกิดขึ้นเหมือนจงเป็นความง่วงความคิดแทรกแสงโลดขยับไป่อทิ้งปล่อยผ่านแทรกแสงแทรกแสงมันโลดเพื่อฝึกให้ใจมันคุ้นชินกับกนโดดข้ามมาฟากตื่น มาฝากลอยผ่านช่วงแรกเนี่ยแทรกแสงได้พอมันเริ่มเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เริ่มรับรู้เห็นความคิดจิตตื่นออกมาจากความคิดเป็นมนาะสัมผัสอาการกายในทารใจได้เป็นลดการแทรกแสงลงไม่ต้องรีบแทรกแสงความวุ่นเกิดขึ้นไม่ต้องรีบดีตัวเองหนีดูมันก่อนรับรู้มันก่อนความวุ่นเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ถ้ามันยังดูได้ยังรับรู้ได้ยังเรียนรู้อยู่ได้ปล่อยให้กายใจเขาทํางานให้มากขึ้น ให้สติเขาเรียนรู้อาการกายอาการใจเราก็แค่ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอาการขยับเขยือนเคลื่อนไหวของเราเนี่ยจะเป็นอาหารที่ส่งเลี้ยงแมวเราไว้ให้มากขึ้นให้มากขึ้นให้มากขึ้นแทรกแสงให้น้อยลงคอยสังเกตว่าใจมันรับรู้สัมผัส ต, ต่อสิ่งที่กําลังเกิดไม่ได้แล้วมันจมมันหายไม่มีกําลังกลับมาขยับแทรกแสงได้ค่อยขยับค่อยแทรกแสงปรับเปลี่ยนมาหน่อยเพื่อให้จิตมันมีกําลังใหม่ตั้งตั้งต้นใหม่ ขยับมากใหม่พอมันรับรู้ตื่นรู้สัมผัสรู้ได้อ้าวปล่อยมันให้มันเรียนรู้ไปด้วยความเพียรระดับที่2ความเพียรระดับที่3มันเป็นสิกขิใจจะทําอาการเรียนรู้พอมันเริ่มเป็นตั้งแต่สัมปชัญญการีเนี่ยใจจะเริ่มเรียนรู้อาการกายอาการใจเป็นด้วยในช่วงสติระดับที่2ในช่วงต้นๆอ่ะมันจะเรียนรู้ได้น้อยหน่อยแต่พอเราพัฒนามากขึ้นเนี่ยสติและสัมปชัญญะจะทําหน้าที่ในการเรียนรู้ เรียนรู้ว่าอาการกายอาการใจทั้งหลายได้มากขึ้นการเจตนาจะน้อยลงลดเจตนาลงให้ใจมันเรียนรู้อาการกายอาการใจทั้งหลายอย่างตรงไปตรงมาของมันอย่างนั้นแหละให้มากขึ้นคอยสังเกตว่าถ้ามันเผลอคือมันจมหายกับถ้ามันพยายามบังคับมันจะตึงมันจะแน่นพอเห็นอาการเหลนี้ปล่อยผ่านขยับทิ้งให้ใจมันเป็นปกติถ้าเราพัฒนาตรงนี้ได้ถูกเราจะสัมผัสอาการปกติได้ชัดอาการปกติคืออาการที่ธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติหมดแลย จะเริ่มเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นมันจะพัฒนาส่งต่อสู่สติตัวที่สามคือระดับของสิกขติติจิตจะมีลักษณะอาการเรียนรู้เฉยเฉยเรียนรู้ต่อสภาวะทั้งหลายว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นจิตจะไม่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการห้ามไม่ได้ทําหน้าที่ในการจัดการไม่ทําหน้าที่ในการแทรกแซงอะไรทั้งนั้นแล้วถติระดับที่สามสิ่งที่หายไปเจตนาเราจะไม่ต้องเจตนา จะไม่มีเราในนั้นจะกลายเป็นเพียงอาการของธรรมชาติธรรมชาติที่รับรู้และเรียนรู้สภาวะทั้งหลายทํางานไอ้ตัวนี้มันมีรายละเอียดนะในการพาฒชั้นขึ้นไประดับที่2ที่สามเนี่ยมีรายละเอียดเดยอะแต่บอกให้ฟังว่าสติเนี่ยทำสามระดับมีสามระดับระดับที่สองเนี่ยพัฒนาให้แม่นยับส่วนใหญ่จะมาติดอยู่ในระดับที่สองนี่แหละความรู้สึกตัวทุกพร้อมเริ่มเกิดแต่ก็จะพยายามให้มันอยู่เกินไป พยายามจะให้มันอยู่กับกายอยู่กับใจบังคับมันเกินไปไม่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเ ร, ราตเราจะติดตัวนี้กันเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องรายละเอียดเฉพาะบุคคลในยานของหลวงพ่อเทียนนะ่ะไล่ลำดับตามยานของหลวงพ่อเทียนในฝฟังนิดนึงในยานขั้นแรกในในสติสามระดับเนี่ยนะหลวงพ่อเทียนเริ่มยานรูปนามเป็นตัวต้นหมายถึงตัวที่ตัวที่สองละหลวงพ่อเทียนทํำขั้งแรกคือทําเคลื่อนไหวใช่ไหมตัวนี้คือประชานาติ แต่พอท่านเข้าใจรูปนามท่านเริ่มตั้งต้นตรงนี้เข้าใจรูปนามคือมันเริ่มไปความรู้สึกตัวเท่วพร้อมนั่นแหละมันไม่ต้องมาจําการเคลื่อนไหวมันไม่ต้องมาจําอาการไม่ต้องมาฝึกให้ให้จิตมันรับรู้ตรงๆแบบเราสิ่งที่เราทําต่อประชาตาติเนี่ยคือการฝึกรับรู้ตรงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่หนึ่งแต่เราก็าเทียนพอเข้าใจเรื่องนี้ท่านเริ่มระดับที่รู้รูปนามเป็นลําดับที่หนึ่งพอรู้รูปนามเป็นลําดับที่หนึ่งไล่ไปเรื่อยๆรูปนามอารมณ์รูปนาม รูปนามคือกายกับใจอาการของกายกับกายเป็นคนละอย่างใจความรู้สึกนึกคิดที่กําลังเกิดขึ้นก็เห็นพร้อมๆกับการทํางานของสองสาอย่างใจเริ่มแยกออกปกติ ok it, เนี่ยเวลาที่เราคิดเราจะจไมไปกับความคิดความคิดก็เป็นเรากายก็เป็นเรามันจะรวมกันทั้งหมดแต่พอมั ance, นเข้าใจเริ่มแยกออกเนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่กําลังเกิดสิ่งที่กาลังเป็นไปเนี่ยมันมีกายมีอาการของกายมีใจมีอาการของใจ ที่กำลังเกิดที่กําลังเกิดที่กำลังคิดอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ความคิดเกิดเดี๋ยวก็อารมณ์ น, นั้นเกิดอันนี้เกิดแต่จิตจะรับรู้ได้รับรู้ได้นี่คือใจที่เริ่มเข้าใจลูบนามอารมณ์ลูบนามเป็นการพัฒนาตัวขึ้นของสัมปชัญญะมันจะเห็นอาการทํางานของกายของใจเนี่ยละเอียดขึ้นและเรียนรู้ได้มากขึ้นสัมปชัญญะจะมากขึ้นอุเบกขาจะมากขึ้นมันจะเริ่มเจอตัวหนึ่งคือตัวปกติ อาการที่ใจปกติจริงๆเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยกลายเป็นเรื่องของกายใจเป็นเรื่องของใจแต่ลึกๆมันมีตัวปกติสบายๆเนี่ยอยู่ตัวปกติจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นหลังจากนั้นตัวปกติเนี่ยการพัฒนาการของจิตนะการพัฒนาการของตัวสติเนี่ยมันจะสัมผัสรู้ต่ออาการปกติและอาการที่เกินจากปกติไวมาก ใจที่มันสัมผัสปกติที่มันเป็นฐานเนี่ยตอนนี้ใจพวกเราไม่ปกติมันเคลื่อนด้วยอารมณ์ตลอดมันคินกับการที่มันเคลื่อนตลอดมันเลยไม่เข้าใจการปกติแต่ถ้ามันเจออาการก่อนที่มันจะเคลื่อนก่อนที่มันจะคิดก่อนที่มันจะรู้สึกมันเป็นอาการว่างาง่ายๆปกติธรรมดาธรรมชาติไม่มีเราไม่มีการเคลื่อนไม่มีการกระทําเมื่อใดที่มันเจออาการเหล่านี้มันจะเป็นอาการตื่นรู้เมื่อเจออาการของปกติเหล่านี้ มันก็จะเห็นว่าอาการที่เกินจากนี้ไปเป็นอะไรแม้กระทั่งสติแม้กระทั่ง อ, อะไรเกิดหลังจากนั้นอะไรที่กำลังเกิดขึ้นผ่านภาษาญาตนณะมันก็จะเห็นว่าลักษณะของตัวสติกจจจ็จะพยายามที่จะส่งตัวเองไว้ในกระบวนการที่เกิดขึ้นสติเองที่เกิดขึ้นมันจะมีการกระทํามีการแทรกแซงมีการให้ค่าแม้แต่นิดเดียวนิดเดียวกระบวนการช่วงนี้ในยานช่วงแรกนะ มันจะเห็นอารมณ์เนี้ยสูงอารมณ์ที่อะไรทั้งหลายเกิดจิตมันจะแทรกแสงให้ข้าแม้กระทั่งพยายามจะรู้สึกตัวไว้จิตมันจะพยายามทําพยายามทําพยายามทําพยายามดิ้นพยายามกระดิกเท้าความวุ่นเกิดขึ้นมันก็พยายามดิ้นออกความวุ่นเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นพยายามกระดิกเท้าไว้พยายามรู้สึกตัวพยายามรู้สึกตัวไว้เพื่อให้เจอเพื่อให้อยู่กับอาการปกติอาการเนี้ยคือสิ่งที่หลวงพเถียนเรียกว่าสมมติ ในปฏิจจสมบาติมันคือตัวที่เรียกว่าสังขารนามรูปสติปัจจยาสังขารและปัจจยาสติบริบูรณ์สังขารจิงดับสติสมบูรณ์สังขารจึงดับเจตนาดับสังขารก็ดับกลายเป็นยาณของสมมติ อาการสมมติในยานขั้นต้นของลมรเทียนอาการสมมุติคืออาการที่ใจพยายามจะทำอะไรบางอย่างคนภาวนามาถึงจุดหนึ่งนะไปดูไอ้นีดีๆอะไรเกิดขึ้นนี่ใจมันพยายามจะทำอะไรนั่นเนละยถ้าเราทำตัวที่สองสติตัวที่สองได้ได้ชัดคือเรียนรู้มันตรงๆอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันทำงานไปไม่ต้องจัดการไม่ต้องเซกแสงไม่ต้องประคองไว้ยู่ห่าง แค่ศึกษามันมบ่อยๆเข้ามันจะเห็นว่าอย่างความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยใจเรามีท่าทีอะไรใจเราพยายามจะทําอะไรมันจะพยายามรู้สึกตัวพยายามให้หายพยายามแทรกแสงแม้แต่เล็กน้อยมันก็จะพยายามทําลรงพ่เทียนบอกว่ารู้สมมติให้รอบคือรู้เรื่องนี้รู้อาการที่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วใจเราพยายามจะไปทําอะไรกับสิ่งเหล่านั้นตรงนี้คือแกนสําคัญของมันพอเห็นอาการที่ใจพยายามจะทําอะไรเกินจากธรรมชาติที่เกิดขึ้น มันทำด้วยแรงของตัณหาอุปทานเนี่ยเราบัณยนเรียกมันว่าสมมุติเนี่ยพอเข้าใจเรื่องนี้ชัดมันจะเข้าใจเรื่องวัตถุปรามาัตดอาการพวกนี้ชัดมากวัตถุคือทั้งหมดเสียงรูกอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยคือลูกคือวัตถเเุเราบัณยนใช้คําเรียกเรียกว่าวัตถุปรามัตดคือสภาวะรับรู้รับรู้แบบปรามัตดคือรับรู้แบบไม่มีเจตนาไม่ต้องบังคับไม่ต้องจัดการ เป็นเพียงอาการรับรู้ต่อสภาวะทั้งหลายที่กำลังเกิดอาการคือทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการของธรรมชาติมีอาการเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอาการเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งหมดไม่มีเราเป็นเพียงวัตถุปรมตฌาอาการหมุนวีนอยู่เช่นนั้นไม่มีเราเลยอุเบกขาก็คือเรื่องนี้เช่นกันอุเบกขาในกระบวนการของวิปัสสนาในสิ่งที่เราทําทั้งหลายเนี่ยนะอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่อาการที่พยายามจะวางเฉยนะ ไม่ใช่อาการที่เราพยายามจะวางเฉยไม่จัดการไม่อะไรกับมันนั่นเป็นอุเบกขาปลอมอุเบกขาสมมติเช่นกันยังไม่ใช่อุเบกข า, าปรารมาัดอุเบกขาปารมัดเป็นอุเบกขาผลใจที่สบายใจที่อิสระใจที่ไร้ตัวตนไร้การกระทำเป็นเพียงอาการยอมรับธรรมชาติทั้งหลายของใจใจไม่ใจไม่พยายามจัดการอะไรเลย ไม่พยายามจัดการอะไรเลยไม่พยายามที่จะดึงอะไรเอาไว้ไม่พยายามที่จะให้อะไรหายยอมรับธรรมชาติทั้งหลายอย่างถึงที่สุดนั่นคืออุเบกขาที่เป็นผลอุเบกขาเกิดจากผลของการเห็นใจรักกระบวนการพวกนี้วนไปอย่างเงี้ยวนไปอย่างเงี้ยวนไปอย่างเงี้ยการเข้าใจใตรักเกิดจากสติและสัมมัชยญยะ สติรัศมีัญญาเห็นความเป็นไปของกายของใจเข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหลายเป็นอยู่เช่นนี้เคลื่อนข้ อ, อยู่เช่นนี้ดับไปเช่นนี้หายไปแบบนี้เอาไว้ไม่ได้จัดการไม่ได้เป็นอยู่เช่นนั้นเช่นนั้นตลอดใจจะเริ่มยอมรับยอมรับยอมรับว่าธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้ความว่วงก็เป็นแค่นี้เองขอตัวเดี๋ยวมันก็หายถ้าใจเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วยอมรับมากขึ้นใจจะเริ่มมีสมาธิและอุเบกขาต่อสมาธิและอุเบกขาก็จะพัฒนาตัวขึ้นพัฒนาตัวขึ้นพัฒนาตัวขึ้น วัตถุปรามาตอาการก็จะสบูรณ์ขึ้นจิต ท, ที่มันเป็นสมมุติในตัวแรกที่จะมาว่ายามขั้นแรกคือใจที่พยายามจะแทรกแสงก็จะน้อยลงจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันจะพากันไปสู่จุดหนึ่งจุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญมันจะไปสู่สภาวะของการแยกออกทีนี้ยามยามตัวที่สติระดับที่สามคือใจจะแยกออกแยกออกระหว่างสภาวะทั้งหลายที่เกิด สติจะไม่ทําหน้าที่ในการที่จะพยายามดึงตรวงไว้ในกระบวนการตรงเนี้สิ่งที่หายไปนะใจจะไม่ให้ค่าบวกค่าลบกับสภาวะอาการทั้งหลายเลยในยานช่วงแรกเนะี่ยใจเรายังให้ค่าบวกค่าลบกับสภาโทสะมันก็ให้ค่าลบมันให้สติเป็นค่าบวกใจเรามันยังดิ้นไปดิ้นมาอยู่พอถึงสภาวะอาการนี้ใจมันจะกลายเป็นเที่ยงตรงต่อสภาวะทั้งหลาย ความโกรธเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้นมันก็แค่ดูว่ามันเกิดยังไงหายไปยังไงความคิดเกิดขึ้นมันก็แค่ดูว่าทํายังไงมันหายไปยังไงใจจะไม่ให้ค่าบวกไม่พยายามให้หายไม่พยายามให้อยู่กับอะไรทั้งนั้นมันจะเหมือนน้ากับ น, น้ํามันที่ขอชอบพูดกันหลังจากนั้นใจจะทําลักษณะเดียวคือลักษณะของการเรียนรู้เรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นบทเรียนทั้งหมดให้ใจได้เรียนรู้สติระดับนี้จะเป็นระดับระดับที่เป็นเองจะเป็นระดับของสิกขิที่เป็นเองอย่างสมบูรณ์ แลหลังจากนั้นมันจะพัฒนาต่อยาวเลยจะเข้าใจรูปโู้เข้าใจบทเลยทีนี้เข้าใจขันห้าเข้าใจการประกอบกันเท่าหลังจากนั้นใจจะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันกาลังเกิดขึ้นเนี่ยมันประกอบกันมาจากอะไรบ้างความคิดเกิดขึ้นหนึ่งขณะตอนแรกเราเห็นแค่เป็นความคิดใช่ไหมอีกหน่อยมันจะเห็นว่าความคิดจะได้เนี้ยมาจากไหนรุงมาจากความเชื่อแบบไหนก่อตัวมาจากแบบไหนความโกรธแบบนี้มันโกรธมาจากไหน ตากระทบรูปนี้จิตไปดึงสัญญาเก่ามาจากไหนมันจะเปค้นตั้งกับนู่นเลยเป็นค้นต้องกับต้นต่อใจเราไปดึงสัญญาอะไรมาเราพูดแบบนี้ความคิดความเชื่อแบบนี้เกิดจากไหนมันจะไปดึงรากเง่าของสิ่งที่เอาไว้เป็นเราเนี่ยมันจะปลอกความเป็นเราออกทีละนิดนิดนิดแล้วเป็นรื้อขึ้นมาคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้โกรธแบบนี้มาจากไหนมาจากไหนทํางานยังไงมาจากไหนมาจากอะไร ทีนี้มันจะเข้าใจกระบวนการ ข, ขันห้าพวกนี้ละเอียดยิบเลยอัตมาเห็นช่วงนี้เห็นกระบวนการช่วงนี้มันจะเห็นความเป็นเราในกระบวนการหลกัลกๆของสติระดับนี้คือมันจะเห็นความเป็นเราว่าประกอบมาจากอะไรบ้างมาจากไหนบ้างเป็นของประจักษ์แจ้งแท้ๆต่อสิ่งที่เกิดณนะขณะนี้หรือเป็นเพียงความคิดความเชื่อดิมๆที่เรียกว่าขันห้าที่เรียกว่าอุปท า, านที่เรียกว่าสัญญามันจะไปดึงขึ้นมาหมดเลยทีนี้ แล้วมันจะล้างล้างล้างล้าสติจะละเอียดเข้าสติเดยิยช่วงแรกจะเป็นสติที่มันพัฒนาเป็นเป็นตัวสติที่พยายามดูแยกพอมันพัฒนาถึงจุดนี้กระบวนการพัฒนาของตัวสติคือมันจะแทรกซึมพอถึงระดับนี้นะสติมันจะแทรกซึมการขยับขยื่นเคลื่อนไหวทีลเล็กทีละน้อยแค่นี้จิตมันสติมันค่อยๆเข้าไปทันทันทันทันัท น, ท, น, ท, นทั้งหมดเลยการขยับขยื่นที่มันกลายเป็นตามสัญชาตญาณเราเนี่ย เขาเดือดไปตามสัญชาติญาณที่มันเจอด้วยอวิชชาเจอด้วยความหลงเนี่ยสติมันจะค่อยไปทันทีละเอียดนิดนิดเดียวก็เป็นล้างมือนิดเดียวก็เป็นกระเพาะตาไปตามความคุ้นขินเดิมอะไรที่เป็นความคุ้นขินเดิมสติจะตามรู้ตามรู้ตามรู้ละเอียดยิบยิบยๆบยิบยิบเข้าไปทั้งในกายทั้งในจิตพัฒนาการของสติช่วงนี้จะเป็นแบบนี้และยาวเลยทีเนี้ยตัวเนี้ยยาวลึกเข้าใจลึกเข้าใจลึกเข้าใจปัญญาเกิดถอนปัญญาเกิดถอน แรงของตันหาอุปทานคือแรที่ใจมันยึดมันทุกมันอะไรพวกนี้ค่อยๆสลายลงสลายลงสลายลงไปจนถึงโน่นแหละไปถึงช่วงท้า ย, ายคืออาการตื่นรู้อย่างเป็นธรรมชาติใจจะตื่นรู้อยู่ท่ามกลางภาษาอัจฉระทั้งหลายที่กำลังทำงานเนี่ยไม่คิดก็ได้ไม่ปรุงอะไรก็ได้หรือมันปรุงขึ้นมาก็แค่เห็นปรุงอะไรขึ้นมาก็แค่วู่มันก็รู้แหละมันก็รู้แหละอย่างเงี้ย จะเป็นช่วงท้ายไปส่งต่อไปสูม่มรรสสู่ผลสู่ยานสู่กันอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปละหล่ะแต่พัฒ น, นาการหลักๆนี่คือกระบวนการพัฒ น, นาการของตัวสติหลักๆในตามลําดับอารมณ์ที่จะตมาเจอนะยานไม่ต้องพูดละเอียดหรอกแต่ละคนยานใครยานมันยานของท่านก็เป็นเรื่องของท่านแต่นี่คือกระบวนการที่พัฒ น, นาสติเราสงสัยไหมในอย่างเรื่องภาวนาเนี่ย สายเราพระเทียนทําไมพูดแต่เรื่องสติ <Okay. S 1> บางสายเขาพูดเรื่องอาการเห็นใจรัการา ก, การเห็นความโกรธให้มันชัดเห็นความคิดให้มันชัดเขาเน้นการดูสภาวะดูกายดูความเป็นท่าเป็นขันบางบางอย่างบางครั้งเขาพูดเรื่องผลจิตเดิมแท้มันไม่อยู่แล้วมันไม่ต้องจัดการอะไรอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วความเป็นเราเดิมทีไม่มีบางคนก็พูดเรื่องตัวผล สงสัยไหมไม่ต้องสงสัยหรอกมันเป็นเช่นนั้นแหละ <c oughs> คือมันมีสามอย่างภ า, าวนาธรรมามักเลี้ยว่าภาวนาสามเก้าภาวนาสามเก้าคือเรื่องนี้ตัวเหตุตัวสภาวะคือตัวปัจจัยประกอบและตัวผลในกระบวนการภาวนาเนี่ยนะเหตุ hate, ปัจจัยประกอบที่เป็นสภาวะไปสู่ตัวผลเหตุ hate, คือตัวรู้ กระบวนการสร้างตัวรู้คือตัวเหตุตัวปัจจัยประกอบคือตัวสภาวะที่ถูกรู้ตัวธรรมะตัวความเป็นเรานี่แหละไอ้ตัวเนี้ยกว้างมากเลยเหตุหลักของพุทธศาสนาคือเหตุกับผลใช่ไมจริงจริงมันมีเหตุกับผลและปัจจัยประกอบอยู่ระหว่างกลางนะเหตุปัจจัยประกอบสู่ผลไม่ใช่เหตุและผลตรงตร ง, ตรงถ้าเหตุและผลตรงๆอ่า เราจะจัดการผลได้อย่างที่เราต้องการสร้างเหตุได้ตรงผลเกิดแน่นอนเหมือนตอนนี้เรานั่งยกมือเนี่ยเหมือนข้าวก็ได้เรากินข้าวคำหนึ่งเหมือนกันทุกคนเลยความรู้สึกต่อข้าวนั้นไม่เหมือนกันเราเห็นแก้วเห็นภาพเนี่ยขวดเนี่ยเห็นเหมือนกันความรู้สึกที่ปรุงขึ้นจากการเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันก็เหตุมันคือการเห็นเหมือนกันเนี่ย เพราะปัจจัยประกอบปัจจัยประกอบคือความเป็นเรานั่นแหละความเป็นเรานั่นแหละคือปัจจัยประกอบหนึ่งความเป็นเราสองอสภาพเวดล้อมอากาศชุมชนทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลคือปัจจัยประกอบคือสาเหตุที่ทาให้ผลแตกต่างผลมันแตกต่างนี่คือหลักของเหตุปัจจัยประกอบสู่ผลกระบวนการภาวนาเนี่ย ah? เราเอาจับหลักของ เหตุปัจจัยประกอบสูขผลเนี่ยสองตุ้มครึ่งแล้วพอเนาะเอาไว้ค่นี้ได้ไหมสองตุ้มครึ่งแล้วได้เวลาเลิกเหตุคือการสร้างธรรมชาติรู้ธรรมชาติรับรู้ตัวเนี้ยตัวสติเนี่ยปัจจัยประกอบเป็ความเป็นเราผลคือ มันไปสร้างคิดรู้ <c oughs> เห็นไหมเจตนาเกินไปสร้างเหตุแท้เหตุของการรับรู้แต่ความเป็นเราทำให้การรับรู้นั้นบิดเบี้ยวกลายเป็นคิดรู้ผลมันคือไปสร้างไอ้ตัวคิดรู้นั่นแหละคือความเป็นจริงของโลกนี้เราสร้างเหตุของการรับรู้แท้สร้างเหตุของสติแท้แต่ปลายทางกลับไม่ใช่สติผลมันกลับไม่ใช่สติถ้าผลไม่ใช่สติ การเข้าใจในธรรมะทั้งหลายการปล่อยวางผลนะ่ะคือการปล่อยวางผลที่ถูกต้องนะการปล่อยวางและสลายความเป็นเราลงเสียได้ถอนตัณหาและทิฏฐิเสียได้คือผลที่ถูกต้องไอ้นี่ในกระบวนการของที่เราสวดนะที่เราสวดผลคือตัวถอนตัณหาและทิฏฐิเสียได้แต่ถ้าเราสร้างเหตุคือจะเริญสติ ปัจประกอบเราไปหาบริหารไม่เป็นผลมันจะไม่ไปถอนตัณหาและทิฏฐิเสียได้นั่นแหละหลักของมันในในสติปัฏฐานใช่ไหมตัวเหตุคือตัวสติสติคือตัวนี้ถ้าเราสร้างถูกบริหารปัจจัยประกอบให้เป็นแยกแยะให้เป็นธรรมวิจยะโยมณสิการคือแยกคายกับสิ่งที่ทำแยกคายกับสิ่งที่ทำแยกคายกับสิ่งที่มันกําลังทําเนี่ย มันเป็นคิดรู้เป็นสัมผัสรู้หรือว่ามันเป็นคิดรู้หรือใจมันเหนื่อยเกินไปหรือมันจมกับอารมณ์สัมผัสรู้จริงๆแต่ว่าใจมันก็เจอกับความคิดไปครึ <ił> <animal> ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนี่คือกระบวนการบริหารจัดการในปัจจัยประกอบปัจจัยประกอบต้องบริหารตัดต้องบริหารจัดการและเรียนรู้เหตุต้องสร้างมันสร้างให้ใจรับรู้เหตุสร้างให้ใจรับรู้บริหารปัจจัยประกอบทํำยังไงที่ใจรับรู้ตรงๆเนี่ยจะดําเนินต่อได้ จะมันจะเรียนรู้สภาวะที่กําลังเกิดขึ้นที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยตรงๆได้ยังไงบริหารจัดการเรื่องนั้นถ้ามันทําอย่างนี้ได้บ่อยสติทํางานได้การเรียนรู้สภาวะของกายของใจบริหารให้มันสามารถรับรู้เรียนรู้อาการกายอากา ร, าการใจตรงๆได้ผลคือการปัญญาจิตจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตเกิดมันจะไปถอนตัณหาและอุปท า, านเสียได้ผลก็คือความเบาความโล่งความโปร่ง ความง่ายใจที่ซื่อตรงต่อธรรมชาติทั้งหลายนั่นคือตัวผลผลเอาไว้เป็นตัวเช็คถ้าภาวนาแล้วผลมันไม่เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ว่าเราจะไปสร้างเหตุแบบไหนไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าแบบไหนแสดงว่าผลนั้นหรือบริหารจัดการไม่ถูกต้องหลักของการภาวนาถ้าภาวนาแล้วมีสติมากขึ้นเท่าทันตัวเองมากขึ้นสลายความเป็นตัณหาอุปทานมากขึ้นเท่าทันความคิดเท่าทันอารมณ์มากขึ้นแสดงว่าผลนี้ถูก ผลเอาไว้เป็นตัวเช็คว่าเราบริหารจัดการถูกไหมว่าเราสร้างเหตุได้ถูกไหมนี่คือกระบวนการของภาวนาสามเก้าที่เอาไว้เช็คสติตัวแรกเป็นตัวเหตุสติตัวที่สองเป็นตัวปัจจัยประกอบสติตัวที่สามเป็นตัวผลอยู่ในสามอย่างนี้หมดเลยอยู่ในสามหลักนี้ทั้งนั้นมันอยู่แค่นี้แหละถ้าเข้าใจกระบวนการและบริหารมันให้เป็นยมันจะกลายเป็นกระบวนการของธรรมชาติ ทั้งหมดทีนี้ที่เราได้ยินได้ฟังว่าหลายคนหลายครูบาอาจารย์พูดต่างกันบางครูบาอาจารย์จะพูดเรื่องผลมันคือแบบนั้นมันคือแบบนี้มันไม่อยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วความเป็นเราจริงๆไม่มีจิตเดิมแท้เรานั้นว่าบางคนเอาผลมาขยายสาเหตุนะท่านพูดถูกท่านเอาผลมาขยายบางคนพูดแต่พูดถึง ตัวปัจจัยประกอบคือตัวสภาวะที่เห็นทุกมันเป็นแบบนั้นทุกมันเป็นแบบนี้ความคิดมันเป็นแบบนั้นอารมณ์มันเป็นแบบนี้ตาตลัตเป็นแบบนั้นแบบนี้คือพูดถึงตัวที่สองคือตัวปัจจัยประกอบคือตัวสภาวธรรมที่จะต้องถูกเห็นนี่เป็นกระบวนการของปัจจัยประกอบในกองที่สองทั้งหมดบางท่านก็พูดถึงตัวนี้บางท่านพูดถึงตัวนี้สายลพบเทียนพูดเน้นมาที่ตัวเหตุ ทำยังไงที่จะเห็นสภาวะเหล่านั้นไม่ต้องไปพูดมันมากก็ได้ตัวตัวตัวผลตัวที่จะถูกรู้เนี่ยไม่ต้องไปพูดมันมากก็ได้แต่ทำยังไงที่จะสร้างธรรมชาติที่จะเรียนรู้ธรรมชาติที่จะทำหน้าที่ในการเห็นสภาวะเราก็เทียนพูดในประเด็นที่หนึ่งเน้นมาที่การสร้างเน้นมาที่การทำถึงตัวที่หนึ่งเป็นหลักนี่คือหลักทาไมเรางพ่เทียนพูดพูดในเรื่องสติเพราะตัวนี้คือตัวสาคัญ มันจะบริหารอะไรไม่ได้เลยถ้ามันไม่สร้างเหตุก่อนถ้าไม่เอาต้นไม้ไปลงดินเนี่ยมันจะไปลดน้ําุนดินใส่ปุ๋ยอยู่กระหลุเนี่ยต้นไม้ไม่เกิดหรอกต้นไม้ไม่โตเรามาเทียนเลยเน้นมาที่ตัวนี้สร้างเหตุวิธีการสร้างเหตุสิ่งที่เป็นต้นต่อสิ่งที่เป็นต้นเหตุของการเรียนรู้สิ่งที่เป็นต้นตอของผลคือตัวเหตุเหตุคือตัวสติตัวเรียนรู้ตัวรับรู้นี่ตัวนี้สําคัญเรางพ่เทียนเลยขยายผลตัวนี้มากแล้วเน้นที่ตัวนี้ แล้วก็บอกเลยว่าเมื่อตัวเนี้จะเริญเติบโตเขาจะเห็นเห็นอะไรบ้างคือตัวปัจจัยคือตัวที่สองเขาก็จะเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นน้ำ <c oughs> เห็นอาการกายอาการใจหลวพ่อถิดก็ พ, พูดอธิบาย <lan> ผลมันคื อ, อยังไง <c oughs> คุณจะเบาขึ้นยี่สิบกิโลสามสิบกิโลแต่ท่านจะไม่ไปตีโพธิภยัยกับสองตัวนี้แต่ท่านจะเน้นเรื่องการสร้างเหตุนี่คือกระบวนการภาวนาแบบเราที่หลวมาเตร่ยมเน้นที่ตัวสร้างเหตุเข้าใจนะเออ เวลาฟังคนอื่นก็จะได้รู้สึกว่าเออเขาพูดตรงนั้นอ๋อเขาพูดตรงนี้เราเพเทียนแล้ววิธีของเราคือพูดตัวนี้อาตมาพูดตรงไหนไม่รู้หุ่งไปหมดบางทีก็พูดตัวสร้างเหตุบางทีก็พูดตัวกระบวนการบางทีก็พูดตัวผลสงบมีอยู่แล้วความว่างมีอยู่แล้วความปกติมีอยู่แล้วอะไรที่เกินไปจากนั้นรู้มันซะคือภาวนาง่ายที่สุดนี่แหละภาวนาง่ายที่สุดนะพูดตัวผลจิตเราเดิมแท้เนี่ยเป็นปกติเป็นความว่าง อยู่แล้วนี่ไงอะไรที่เกินจากนั้นรู้มันสักถ้าพูดแต่คนเนี่ยพูดง่ายมากแต่อยู่ดีๆมันจะอิ่มเลยได้ไหม <c oughs> ถ้าเรากําลังหิวข้าวอยู่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอนุ่อนๆสักจานเนาะอาตมาว่าต้องมีคนหิวข้าวแล้วอาตมาพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นภาพก๋วยเตี๋ยวไหมได้กลิ่นไม่เมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วย <c oughs> ถ้าเราพูดตัวผลเลยเนะี่ยเหมือนเราหิวอยู่ดีๆเนี่ยจะไปบอกให้มันอิ่มเลยเนี่ยความอิ่มมีอยู่แล้วเออใช่ความอิ่มมันอยู่แล้วถ้าถ้าความหิวมันหายมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ไปสร้างเหตุก่อนนะมันโดดเข้าไปผลไม่ได้นี่แหละกระบวนการของมันกระบวนการที่ครูบาอาจารย์ท่านสอ น, สอนก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละวิธีการนะ่ะเขาจะเน้นไปที่จุดไหนบางครั้งกระบวนการท่านก็จะเน้นไปที่การเห็นสภาวะเป็นตัวรับรู้เป็นตัว เห็นโทสะเห็นอะไรทั้งหลายเป็นตัวที่ฝึกตัวเหตุไปได้ตัว ก, ก็ได้ก็เช่นกันก็ได้เช่นกันแต่หลงพระเทียนเราจะเน้นมาที่การทำยังไงที่จะปกปั้นสร้างตัวเหตุเนี่ยให้บริบูรณ์สร้างตัวเหตุเนี่ยให้มันมีพัฒนาการให้ได้นี่คือประเด็นประเด็นแบบหลวงพ่อเทียนจุดเน้นแบบหลวงพ่อเทียนเราเน้นที่การสร้างเหตุเข้าใจเนาะตอนแรกว่าจะเล่าเรื่องห า, หาให้ฟังนะนี่ พูดไปพูดมาไม่หาแล้วพากันเครียดหมดเลย <c oughs> สองทุ่มขึ้นแล้วล่ะใช้ได้ไหมวันนี้ภาวนากันจับประเด็นได้มากขึ้นไหมเปิดโอกาสให้ถามนะเมื่อวางนี้คนมาบอกอาจมาว่าเทศเสร็จแล้วให้คนถามบ้างอาจารมาเปิดโอกาสให้ถามแล้วนะเป็นยังไงบ้าง ไม่เป็นยังไงเนาะงั้นพรุ่งนี้เมื่ออาเม่เย็ยนหลวงพ่อพูดว่าอะไรนะปฏิโมกศิลลืมอีกแล้วพราะมันลืมแล้วมันมีแต่ปฏิโมกศิลแล้วมันเฉลไม่ถูกแล้วนะปฏิโมกศิลถึงงดเว้นอะไรบ้างเม่เม่เย็ยนหลวงพ่อพูดนะก่อนทําวัดปฏิโมกศิลงดเว้นการอ่านหนังสืองดเว้นโทรศัพท์ปฏิโมกศิลของหลวงพอ่อ พรุ่งนี้เราถือปฏิโมกสินกันนะงดเว้นการอาร่างดเว้นโทรศัพท์งดเว้นข้อมูลข่าวสารตั้งใจภาวนาดูเต็มๆวันดูตั้งใจภาวนาดูเต็มๆวันกันพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยมาไล่กระบวนการภาวนากันดีๆเอาตานี้เนาะอ่าฮ ใช่เราดูตรงตรงไม่ได้เพราะว่ากําลังไม่มีการที่จะให้ใจมารับรู้สัมผัส ต, ต่ออาการที่มันกําลังเกิดตรงๆเนี่ยอย่างวันเนี้ยความวุ่นเกิดขึ้นอึนดัดเกิดขึ้นใจเรามันรับรู้ต่ออาการทั้งหลายที่เกิดตรงๆไม่ได้นะมันถูกอารมณ์ถูกความคิดถูกความห่วงทับหมดเลยทับหมดเลยเราภาวนาใหม่เนี่ย อารมณ์และความคิดความคุ้นชินเดิมๆนะ่ะมันมีน้ำหนักสูงมันมีกําลังสูงที่จะท่วมทับทับจใจเราจนอึดอัดจนเราไม่สามารถรับรู้สัมผัสต่อสิ่งนี้กำลังเกิดตรงๆได้เพราะนั้นเป็นความคุ้นชินเดิมเราคุ้นชินกับการที่จะจมไปกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตเราจรึงต้องฝึกที่จะสละปล่อยทิ้งแล้วก็โดดข้ามมาฟ้าของการปล่อยมันผ่านปล่อยมันผ่านให้บ่อยเพื่อให้สติที่เราพยายามทำเนี่ยมีกําลังขึ้นมาสัก่อนเพราอสติมันเริ่มหนีจากอารมณ์เป็น ออกจากอารมณ์เป็นออกมารับรู้สัมผัสเป็นกําลังมันจะเริ่มมีขึ้นกําลังของสติและสัมปชัญญะจะเริ่มมีขึ้นพอเริ่มมีขึ้นจะสังเกตได้ว่าพอมันขึ้นสู่ตัวระดับที่สองเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้ความควา ม, ความความว่วงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นละพามาเข้าเราจะเริ่มเห็นเอา้ามันเผลอไปคิดถ้าแบบนี้เผลอไปคิดตาก็ทบรูปแบบนี้ความคิดจะเกิดมันจะเริ่มเห็นเริ่มเห็นทีนี้กํบาบวงการในการเรียนรู้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นไม่ต้องพยายามดีตัวเองหนีละมันจะมีกําลังในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น นั่นแหะคือกระบวนการพัฒนาของมันถ้ากําลังมันน้อยมันถูกอารมณ์ถูกความคิดครอบงำหมดใน ต, ตรงนี้เราใช้ขันติใช้สิ่งที่หลวงพ่อทันเทศมาเยี่นใช้ขันติใช้ตบาบะใช้ความเพียรใช้ความอดทนอือคือเรื่องนี้แหละไปถึงจุดหนึ่งก็เลิกเลิกแทรกแซงเลิกจัดการทำแค่เบื้องต้นเท่านั้นแหละทาเพื่อให้ใจมันมีกําลังขึ้นมาไม่ถา ม, มาตาบะก็พอแค่นี้เนาะงั้นคืนนี้เอาไว้แคนี้ก็ได้